ผู้เจริญทั้งหลายณโอกาสนี้จะได้นําธรรมะ <c oughs> อันเป็นคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายพอเป็นแนวคิดของบรรดาท่านทั้งหลายธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านั้น เราเคยได้ยินได้ฟังได้ศึกษากันมามากพอสมควรแต่บางทีบางท่านอาจจะเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าไปเสียหมดของเราเลยไม่มีในเมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นการที่จ ะ, สะแสวงหาธรรมนั้นจึงเป็นของยากลาบากเหลือเกิน จึงบางครั้งเราก็ไปเที่ยวแสวงหาธรรมะในสถานที่ต่างๆจากพระพิสุสงฆ์บ้างจากสำนักครูบาอาจารย์บ้างซึ่งสุดแท้แต่เราจะมั่นใจว่าที่ไหนพอที่จะแจกธรรมะให้แก่เรา <c oughs> แต่ความจริงนั้น ธรรมะเป็นของเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วธรรมะที่เป็นของเรานั้นหมายถึงสภาวะธรรมที่เรามีอยู่กันทุกคนสภาวะธรรมอันนี้หมายถึงกายกับใจกายกับใจเป็นธรรมะของเราเพราะฉะนั้น เรามีกายมีใจเป็นสมบัติของเราเองเราจึงมีธรรมะประจำกันอยู่ทุกทุกคนธรรมะของเราเนี่ทั้งส่วนกายและส่วนใจเราสามารถที่จะปรับปรุงให้เจริญเติบโตขึ้นได้ส่วนกายเราบำรุงเลี้ยงด้วยอาหารที่เราลักทานเข้าเป็นคํคๆ แล้วก็ทำให้เนื้อหนังมังสังทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในกายนี้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับลาดับดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอันนี้เป็นความเจริญเติบโตส่วนกายซึ่งเกิดจากการบํารุงเลี้ยงที่ในส่วนใจนั่นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะปรับปรุงและบํารุงให้เจริญเติบโตได้ ด้วยวิทยาการต่างๆเห็นอย่างบรรดาท่านทั้งหลายซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเป็นนักศึกษาก็ดีได้ผ่านการปรับปรุงจิตใจของเราให้เจริญเติบโตมาเป็นลำดับลาดับเริ่มต้นแต่หัดอ่านหัดเขียนหนังสือระดับชั้นประถมมัธยม แล้วก็อุดมศึกษามหาวิทยาลัยมาเป็นลำดับดับจนกระทั่งจบปริญญาท่านสูงสุดคือปริญญาเอกอันนี้คือวิถีทางที่ <c oughs> เราปรับปรุงความเจริญให้แก่จิตใจของเราคือให้มีวิชาความรู้ตาม อ, าอันดับนั้นๆซึ่งสุดแท้แต่ใครจะสามารถมากน้อยเพียงใด ผู้ที่มีความสามารถมากหน่อยก็สามารถที่จะเรียนจบถึงขนาดท่านด็อกเตอร์หรือประดิญญาอีกดังที่ปรากฏอยู่แล้วนั้นอันนี้เป็นวิทยาการทางคดีโลกเป็นวิชาการสำหรับเป็นเครื่องมือในการสร้างตนเองและฐานะ จนกระทั่งเกียรติยศเกียรติศั์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับวิทยาการทางโลกนั้นเราสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปได้หลายทางทั้งทางที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมและทังทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้นวิชาความรู้ทางคดีโลกนั้นถ้าหากขาดธรรมะหรือศีลและธรรมเป็นเครื่องควบคุมเราก็สามารถที่จะใช้วิชาการนั้นๆให้เป็นไปในทางที่ไม่ค่อยจะถูกต้องซึ่งอาจจะยังผลให้สังคมต้องเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าเรามีศีลธรรมเป็นเครื่องควบคุม หรือเป็นแนวทางปฏิบัติเราก็สามารถที่จะใช้วิชาการนั้นๆให้เป็นไปในทางที่มีคุณมีประโยชน์หลักการที่จะใช้วิชาการ <c oughs> <c oughs> ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กันอย่างจริงจังสมเด็จและสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรับเอาหลักศีลห้าประการ มาเป็นหลักแห่งการควบคุมการใช้วิชาการนั้นๆใครมีวิชาความรู้มีความสามารถมากน้อยเพียงใดก็ตามหรือใครอาจจะมีกิเลสมากน้อยเพียงใดก็ตามเช่นมีตัณหาความทะเยอทยานหยาบในทรัพสมบัติและลาบยศสรรเสริญจะทะ่ายอนทะเยอทยานมาก ไม่เพียงใดก็ตามแต่เราเอาศีลห้าเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ศีลห้าจึงเป็นหลักการสําหรับใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ในสังคมและอีกอางหนึ่งศีลห้าประการนี้เป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคม ถ้าหากว่าสังคมมีศีลห้าประการนี้เป็นเครื่องควบคุมการประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจา <c oughs> สังคมสามารถที่จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขและมีความสงบและถ้าเมื่อมีศีลห้าบริบูรณ์ดีแล้วไม่เฉพาะแต่จะทาให้สัง ค, คมอยู่กันด้วยความสงบสุขเท่านั้น ยังต้องทำให้หมู่คณะในสังคมนั้นๆเกิดความพร้อมเพรียงสามัคคีซึ่งกันและกันความสามัคคีเนี่ยเป็นหลักธรรมที่เราต้องการและเป็นหลักธรรมที่เราปรารถนาอย่างยิ่งเคยได้ยินบางประเทศเราอาจจะคิดว่าเขาไม่นับถือพระพุทธศาสนา อันนี้ได้ยินคำบอกเล่าที่คนที่เขาไปรู้ไปเห็นแล้วเขาบอกเล่าให้ฟังเขาว่าในประเทศเกาหลีนั้นเขาเยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติอยู่สามข้อหนึ่งอตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนสองวิเยณทุกขมัจเจติ จะล่วงทุกไปได้เพราะความเียนประการที่ 3, สามสามัคีสมคทานังตะโปสุขโขความพร้อมเพียงของหมู่คณะให้เกิดสุขอันนี้เป็นหลักธรรมที่ประเทศเกาหลีเขายึดเป็นหลักปฏิบัติและได้ทราบว่าเขาถือเป็นหลักธรรมที่เขาจะต้องลนนรงเพื่อให้ประชากรทั้งอของประเทศ ได้ประพฤติปฏิบัติโดยทั่วกันเคยเขาถือคติอย่างนี้เขาถือว่าอตาหิอตโนนาโถต้นเป็นที่พึ่งของตนเขาถือหลักง่ายๆว่าในเมื่อเราประสบอุปสรรคใดๆจะยากง่ายเพียงใดก็าตามเขาถือคติว่าเขาจะต้องพยายามช่วยตัวเองจนกว่าจะหมดความสามารถ ในเมื่อเขาหมดความสามารถแล้วเขาจึงจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนี่เขาอบรมกันอย่างนี้ทีนี้ประการที่สองความภาคเพียรความพยายามเขาอบรมให้ประชากรของเขามีความอุตสาหะวิริยะในการศึกษาในการค้นคว้าในการทํางานในการสแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อ ความมีหลักฐานมั่นคงโดยอาศัยหลักธรรมคือความเพียรเป็นจุดสําคัญประการสุดท้ายคือความสามาคัคคีความพร้อมเปรียงซึ่งกันและ ก, กันอันนี้เขาถือเป็นหลักธรรมที่เขาจะต้องอบรมสั่งสอนคุณบุตรลูกหลานของเขาให้ประพฤติปฏิบัติให้ได้โดยทั่วกันเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมัง เกาหลีจึงมีความเจริญรุ่งเรืองรวดเร็วดักอันนี้เป็นตัวอย่างของชาวต่างประเทศซึ่งได้ยินแล้วออกมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟัง <c oughs> แต่สําหรับนโอกาสนี้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงพากันสนใจในเรื่องการปฏิบัติปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนา เพื่อจะเป็นหลักจิตหลักใจเพื่อจะแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันเพื่อจะเป็นการสนับสนุนวิชาความรู้ให้มีความเข้าใจแตกฉานยิ่งขึ้นเพราะการทำสมาธิเนี่ยถ้าหากว่าใครทำสมาธิได้อย่างถูกต้องจะเป็นคนนุณธรรมที่สนับสนุนวิชาการที่เราเรียนมา เช่นอย่างท่านที่มีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาแขนงใดก็าตามที่เรียนจบมาแล้วถ้าสามารถทำสมาธิให้ถูกต้องได้สมาธิอันนั้นจะเป็นอุปกรณ์แก่วิชาความรู้และการงานที่เราทำหรือรับผิดชอบอยู่ซึ่งบางทีก็อาจจะมีตัวอย่างซึ่งท่านทั้งหลายก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้ว นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิศวะที่ให้วิชาสมาธิเนี่ยสนับสนุนไอวิชาการหรือการค้นฟ้าต่างๆให้สำเร็จมาด้วยดีแต่สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องสมาธิภาวนาความหมายของคำว่าสมาธิ เึ่งจะว่าตามหลักวิชาการในทางปริยัตินั้นหรือเรียกว่าพูดตามภาษาวัดวัดสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นแต่สำหรับในที่นี้ขอใช้คำว่าสมาธิคือความมั่นใจภาวนาก็คือการอบรม อบรมกายวาจาและใจให้อยู่ในระบอบแผงศีลและธรรมที่ชอบดังนั้นอาตมะจะไม่พูดอะไรให้มากความเพราะท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาเรา่เรียนธรร ม, มะกันมาบ้างพอสมควรจะแนะวิธีการทำสมาธิในเบื้องต้นการที่จะทำสมาธิในเบื้องต้น ถ้าหากว่าจะทำเป็นจิตจะลักษณะหรือตามแบบฉบับของการทำสมาธิโบราณาจารย์ท่านสอนให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาคือเจริญพรห ม, มวิหารนั่นเองอันนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจทีนี้ในเมื่อท่านทำวัดสวดมนต์ แห่เมตตาเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตามแบบฉบับที่พระพุทธบาตามแบบที่มอนเหมือนกับพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเอามือขวาวางเอามือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับลงไปกําหนดในจิตใจของเราว่า พระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าไม่มีตัวไม่มีตนพระธรรมก็ไม่มีตัวไม่มีตนพระสงฆ์ก็ไม่มีตัวไม่มีตนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคณนาาัดทำซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติ แม้ท่านชายสิทธัตถะที่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะมีคุณธรรมความเป็นพุทธและมีธรรมะอยู่ในจิตในใจและมีกิริยาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในจิตในใจท่านจึงได้เป็นทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์รวมอยู่ในจุดเดียวกันดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจแล้วจงกําหนดใจลงในระหว่างกลางกลางคือกลางระหว่างความยินดีระหว่างความยินร้ายทำใจให้เป็นกลางนึกในใจว่า พุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆแล้วก็กำหนดลงที่จิตเนกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่อย่างนั้นเนกพุโทโธเฉยๆเนกด้วยความเบาใจอย่าไปกดไปข่มประสาทส่วนใดส่วนหนึ่ง หรืออย่าไปบังคับจิตให้เกิดความสงบหน้าที่เพียงแค่นึกพุทโธทพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเฉยเฉยอย่าไป น, นึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะสว่างเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเห็นเมื่อไรจะเกิดอะไรขึ้นมาอย่าไปคิดทั้งนั้นหน้าที่เพียงแค่นึกพุทโธพุทโธอย่างเดียวนึกพุทโธอยู่อย่างนั้น จิตสงบก็าตามไม่สงบก็าตามไม่ต้องไปกังวลเอาแต่ว่าเราได้นึกพุทธโธให้มากที่สุดนึกจนกระทั่งพุทธโธกับจิตของเราเนี่ยติดกันเหนียวแน่นไม่พลากจากกันจนกระทั่งความตั้งใจที่จะนึกพุทธโธหายขาดไปแล้วจิตของเรายังนึกพุทธโธโดยเออเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ แล้วก็นึกอยู่อย่างนั้นในเมื่อจิตมาติดกับพุโทโธและนึกพุโทโธโดยไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าจิตของเราเริ่มจะมีความสงบลงไปแล้วเมื่อจิตนึกพุโทโธพุธโทโธอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยให้จิตนึกพุโทโธพุธโทโธอยู่อย่างนั้นครั้นนึกไปนึกมาพุโทโธหายไปจิตไปนิ่งอยู่เฉย ก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตที่นิ่งอยู่เฉยๆในช่วงนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้กำหนดรู้ลงที่จิตรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปเอะใจหรืออย่าไปตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นันั้นในช่วงนี้บางครั้งผู้ภาวนาอาจจะเกิดมีอาการสั่นนิดหน่อย หรือมีอาการขนลุกขนทองมีอาการคล้ายๆกับว่าตัวเบาจะลอยขึ้นบนอากาศมีอาการคล้ายๆกับว่าตัวใหญ่โตสูงขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวนี่คือหลักการภาวนาในเบื้องต้น ทีนี้ในเมื่อผู้ภาวนากาหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวสิ่งที่จะพึงเกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกแปลกใจที่สุดก็คือความมีปีติในตอนนี้ปีติบังเกิดขึ้นในเมื่อปีติบังเกิดขึ้นความรู้สึกภายในจิตจะรู้สึกสว่างสวยแล้วความสุขอันเป็นผลพลอยได้ก็ย่อมบังเกิดขึ้น เมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วจิตก็สงบลงไปเรื่อยๆเกิดปีติเกิดความสุขในตอนนี้จิตของผู้ภาวนารู้สึกว่ามีความสุขอย่างยิ่งในเมื่อมีความสุขแล้วนิวรห้าคือกามฉันทะพยาบาทธินมิทะอุทธจักุกุจัก วิกิจฉาความลังเลสงสัยในการภาวนาก็หายสิ้นไปมีแต่ความสบายปลอดโปร่งภายในจิตผู้ภาวนาก็ควรจะกำหนดรู้จิตไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปอย่างจริงจังแล้วความรู้สึกว่ากายก็จะหายไป ความรู้สึกว่ามีลมหายใจก็จะหายไปจิตของผู้ภาวนาจะไปสงบนิ่งเน่งสว่างอยู่มีสภาวะรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นกายหายไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นไม่มีปรากฏมีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นอันนี้คือการภาวนา ซึ่งสำเร็จด้วยการบริกรรมภาวนาเป็นการภาวนาในขั้นต้นอันนี้เรียกว่าขั้นแห่งภาวนา <c oughs> ขั้นแห่งบริกรรมภาวนาทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนานั้นทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแบบดังที่กล่าวนี้บ่อยๆถ้าจิตมันไปติดอยู่ที่สมาธิขั้นนี้ความรู้ความฉลาดไม่เกิดขึ้น ให้ผู้ภาวนาฝึกขัดพิจารณาการฝึกขัดพิจารณาควรจะน้อมเอาเรื่องของกายกตาสติอันเป็นแผนการปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติกาหนดตามรู้กายสติกาหนดตามรู้กายนี้มีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งกำหนดตามรู้กายภายนอกอีกอย่างหนึ่งกำหนดตามรู้กายภายในกำหนดรู้ตามกายภายนอกคือหมายถึงว่าทำสติรู้ในเวลาที่เราเปลี่ยนอิริยาบถเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำสติอย่างเดียวเดินรู้ว่าเราเดินยืนรู้ว่าเรายืน นั่งรู้ว่าเรานั่งนอนรู้ว่าเรานอนเกณเดิมทำพูดคิดรู้ว่าเราคิดทำสติรู้อย่างเดียวอันนี้เป็นการกำหนดกายยกตาสติในภายนอกส่วนก า, การกำหนดกายยกตาสติภายในนั้นหมายถึงการกาหนดอาการสามสิบสองคือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น ให้น้อมจิตน้อมใจไปในแง่แห่งความเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกคือพิจารณาว่าผมก็ไม่งามขนก็ไม่งามเล็บก็ไม่งามฟันก็ไม่งามหนังก็ไม่งามเพราะเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกหลักฐานที่เราจะพึงหยิบยกมาพิจรารณาถ้าหากว่าผมขนเล็บฟันหนังของเรา เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราจะอาบน้าทำใหมจะฟอกสบู่ทำใหม่จะตกแต่งทำใหม่ที่เราทําเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าผมขนเล็บฟันหลังเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามนั่นเองในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไปได้เดินได้กินดื่มทําพูดได้ก็ยังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถึงขนาดนี้ ถ้าหากสมมติว่ากายนี้ตายลงไปแล้วผมขนเล็บฝันหนังเกิดเน่าเปื่อยผุพังไปความปฏิกรลน่าเกลียด โ, โรกจะปรากฏมากน้อยเพียงใดอันนี้เรามันพิจารณากันกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นพิจารณาจนกระทั่งจิตของเรามันชำนิอาชนานในการพิจารณาคล่องต่อการพิจารณา ในตอนต้นๆเราก็ตั้งใจนึกคิดเอาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเนื้อกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นในที่สุดเมื่อจิตของเราเริ่มจะมีความสงบลงไปพอสงบลงไปได้นิดหน่อยเพราะอาศัยการฝึกการอบรม การปรับปรุงปฏิปทาการตกแต่งในการพิจารณานั้นแล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาได้เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราทำได้ถึงขนาดที่ว่าจิตของเราปฏิวัติไปสู่การพิจารณาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเรียกว่าพิจารณาเองโดยอัตโนมัติ นักนาเข้าจิตก็จะสงบลงไปเริ่มแต่อุปจารสมาธิถึงอัปปนาสมาธิถ้าจิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิถ้าจิตนั้นจะมีสติปัญญาย่อมจะปรากฏนิมิตขึ้นมาให้มองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกโดยภาพนิมิตที่ปรากุขึ้นในจิตในใจ แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นได้อย่างนั้นทุกทุกท่านทุกคนบางท่านก็สักแต่ว่ามีความรู้ซึ้งถึงจิตถึงใจว่าสิ่งดังกล่าวเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกแล้วก็จิตยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูล การพิจารณาอสุภกรรมาฐานหรือพิจารณาผมขนเล็บปันหนังเนือเอ็นกระดูกให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดนั้นเป็นอุบายที่จะถ่ายถอนราคะความกำหนัดจินดีไม่ให้เกิดขึ้นคลุ้มลุมจิตใจจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมในขณะนั้นอย่างสะดวกคล่องแคล่วโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ อันนี้คือขั้นแห่งการภาการพิจารณาทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดไม่ทำดังที่กล่าวมาเมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิดีพอสมควรแล้วยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นนิ่งสว่างอยู่เฉย ทำเทไรก็นิ่งสว่างอยู่เฉยเฉยไม่เกิดความรู้ขึ้นมาได้ผลของการบริกรรมภาวนาจะยังจิตให้สงบลงไปแล้วถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วก็จะเป็นนิ่งสว่างอยู่เฉยเฉยในขณะนั้นจิตจะไม่เกิดความรู้เพราะจิตเป็นจิตดวงเดียวโดนล้วน ในเมื่อจิตเป็นจิตรวงเดียวล้วนๆไม่มีการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกย่อมปราศจากความรู้เพราะฉะนั้นจิตจึงไปนิ่งอยู่ในท่าทีที่สงบสว่างอยู่อย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นคอยสังเกตดูเวลาเมื่อจิตถอนออกจากความนิ่งคือออกจากสมาธิในคั้นนี้เมื่อถอนมาถึงระดับอุปจารสมาธิ จิตย่อมเกิดมีความคิดในเมื่อจิตมีความคิดให้ท่านผู้ภาวนาจงกำหนดรำสติตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆจิตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่สักว่ารู้เฉยๆอย่าไปช่วยวิภาควิจารณ์หรือค้นคิดด้วยความตั้งใจเป็นแต่เพียงกำหนดจดจ้องอยู่ที่จิต คอยจ้องดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาแล้วกําหนดรู้อะไรเกิดขึ้นมาแล้วกําหนดรู้รู้ไปเฉยๆ เ, เพราะความคิดนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นโอบายที่ทําสติสัมปชัญญะให้มีพลังดีขึ้นในเมื่อสติมีกําลังดีขึ้นเรียกว่าสติพละสติพละสามารถส่ง ตัว ส, สติพละสามารถทำจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ในท่าทีที่สงบนิ่งและกำหนดรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตตลอดเวลาแต่ยังไม่สามารถที่จะปฏิวัติจิตให้เกิดภูมิรู้ภูมิธรรมขึ้นมาได้ด้วยอาศัยจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกย่อมทำให้สติมีกำลังขึ้น ในเมื่อสติมีกำลังขึ้นสติตัวนี้กลายเป็นสตินสี่คือเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงสามารถที่จะปฏิวัติจิตให้ก้าวไปสู่ภูมิความรู้ไ ป, รไปสู่ภูมิธรรมได้เองโดยอัตโนมัติอันนี้คือผลแห่งการภาวนาในขั้นต้นเป็นอันสรุปไใจความได้ว่า การภาวนาหรือการทำจิตทำใจนั้นเราเราจะสรุปขั้นตอนได้เป็นสามขั้นตอนหนึ่งขั้นบริกรรมภาวนาสองขั้นฝึกหัดจิตให้รู้จักพิจารณาสามขั้นตามรู้ ท่านบริกรรมภาวนาก็มีในดังที่กล่าวมาแล้วมีการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นจนกว่าจิตบริกรรมภาวนาเองโดยอัตโนมัติแล้วยังจิตให้สงบเป็นสมาธิตามขั้นตอนขั้นแห่งการพิจารณาเป็นการฝึกขัดให้จิตก้าวเดินฝึกขัดให้จิตเกิดสติปัญญาฝึกขัดให้จิตมีสติปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ ขั้นตามกำหนดรู้หมายถึงตั้งใจกาหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดของเราความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นสภาวะธรรมในเมื่อจิตมีสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้เป็นสติมีสภาวะธรรมเป็นเครื่องระลึก ย่อมสามารถที่จะสร้างสติตัวนี้ให้กลายเป็นมหาสติไปได้ด้วยประกาละนี้ทีนี้ท่านทั้งหลาย <c oughs> ถ้าหากว่าจะเป็นนักภาวนากันอย่างจริงจังขออย่าได้ไปสงสัยในวิธีการนั้นๆอารมณ์ของกรรมฐานเพียงแค่สมถะก็มีอยู่ถึงสี่สิบอย่าง เริ่มต้นแต่อสุภาสิตสินสิบอนุสติสิบเป็นต้นที่นี้ถ้าหากว่าบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีทั้งสี่สิบอย่างเราจำเป็นจะต้องทำให้ครบถึงสี่สิบอย่างหรือไม่อันนี้ไม่จำเป็นทำเพียงอย่างเดียว ก็ได้เชื่อว่าได้ผลหรือเรียนจบกรรมฐานทั้ง40ห้องเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดจะยึดอารมณ์อันใดเป็นเครื่องบริกรรมภาวนาก็ดีเช่นจะภาวนาพุโทโธหรือยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นได้เพียงอุบายชักจูงใจให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเท่านั้น จึงไม่สมควรที่จะไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัติการบริกรรมภาวนาเป็นแต่เพียงเราหาอารมณ์มาเป็นคู่ของใจฝึกขัดให้ใจมนันเนกอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวได้นานๆเพื่อเป็นการตัดความกังวลหรือตัดความวุ่นวายที่จิตมันแฉะซ่านไปสู่อารมณ์ต่างๆให้มารวมจุดอยู่ที่จุดเดียว เช่นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นท่านภาวนาพุทโธเป็นต้นแม้จิตจะไม่สงบก็ตามหรือสงบก็ตามให้นึกภาวนาพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดนึกพุทโธไว้ตลอดเวลานึกจนกระทั่งว่าจิตมันติดกับพุทโธพุทโธติดกับจิตจิตเป็นพุทโธพุทโธเป็นจิต แม้บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะนึกพุโทโธจิตของเราก็นึกขึ้นมาเองอันนี้เป็นการฝึกหัดให้จิตติดกับคำว่าพุโทโธหรืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีใครกล่าวว่าการภาวนาอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้จึงดีอะไรทํานองนี้อย่าได้ไปสนใจเราจะเอาอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าจิตของเราเนี่ย มันไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่นเช่นอย่างเราจะภาวนาพุโทโพธโทโพุโธแต่มันไม่อยู่กับพธิโธมันชอบวิ้งไปหาสิ่งอื่นที่เราเคยติดมาแล้วก็ให้เอาสิ่งนั่นแหละมาบริกรรมภาวนาเช่นอย่างสมมติว่าในขณะที่เราภาวนามันคิดถึงใครคนหนึ่งก็เอาชื่อของคนคนนั้นมาบริกรรมภาวนา เพราะจิตมันติดอยู่แล้วมันจะได้ติดเร็วขึ้นในเมื่อจิตมีการติดมันก็ย่อมเกิดความสงบในเมื่อสงบแล้วมันไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านมันก็อยู่ในอารมณ์เดียวในเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็เกิดเป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแม้แต่บริกรรมภาวนามันก็ทิ้งไป ในเมื่อมันทิ้งบริกรรมภาวนาแล้วมันก็เป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเป็นเหตุให้เราได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างนี้ในเมื่อจิตมันปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตัวของตัวเองมีแต่จิตตัวเดียวล้วนๆไม่ได้พึ่งพาอาศัยอะไรมันก็เป็นอิสระ ในเมื่อเราฝึกขาดให้มันเป็นอิสระบ่อยๆเข้าพร ะ, ะคือกำลังมันก็เกิดขึ้นมากขึ้นทุกทีทุกทีจนสามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติตลอดไปความเป็นปกติของจิตนั้นความเป็นปกติของจิตในภายในหมายถึงจิตเข้าอยู่ในสมาธิสลัดอารมณ์ทั้งปวงแล้วจิตเป็นจิตดวงเดียวล้วน อันนี้เป็นความปกติของจิตภายในในเมื่อจิตออกมาสู่อารมณ์ภายนอกเช่นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแหล่ใจจิตเป็นแต่เพียงสัมผัสรู้รู้แล้วไม่ยึดถือสิ่งนั้นเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอพูดมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจว่า <c oughs> ในเมื่อจิตไม่สนใจกับสิ่งใดๆจิตมันจะไม่กลายเป็นจิตที่ไร้สำนึกไม่เอาไหนหรือจะไม่กลายเป็นจิตที่ขี้เกียจขี้คล้านไม่เอาการเอางานหรือข้อนั้นไม่พึงสงสัยถ้าหากว่าจิตมันผ่านความเป็นสมาธิผ่านความเป็นตัวของตัวเองได้โดยเด็ดขาดแล้วมันจะเกิดความสนใจในหน้าที่การงานเกิดความสนใจในในหมู่ในคณะ เกิดความสนใจในหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบผู้ซึ่งเคยขี้เกียจทำงานมันจะขยันขึ้นผู้ที่ไม่เอาใจใส่กับจิตใจของตัวเองไม่เอาใจใส่กับการงานขาดความรับผิดชอบมันจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้คือผลของการทำสมาธิการทำสมาธิเช่นอย่าง เราจะไปเข้าห้องกรรมฐานไม่เอาไหนเลยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยอันนั้นมันก็ไม่ดีเพราะเราทิ้งการทิ้งงานส่วนอื่นการทำสมาธินี่เรามีความมุ่งหวังที่จะให้เรามีพลังจิตมีสติสัมปชัญญะต่อสู้กับงานการที่เรารับผิดชอบอยู่สามารถที่จะแก้ไขชีวิตปัญหาชีวิตประจำวันได้ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสังคมได้ไม่ใช่ว่าทําสมาธิแล้วไปหลับหูหลับตาไม่เอาไหนแบบนั้นไม่ถูกต้องแน่ทาสมาธิเป็นแล้วต้องสนใจในการงานสนใจในหมู่คณะสนใจในการรับผิดชอบสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นสภาวะธรรม ได้กล่าวแล้วว่ากายกับใจของเราเป็นสภาวธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติฉันใดบุคคลภายนอกสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกวินาทีสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเราทำสติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้น ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนักปฏิบัติสมาธิต้องสู้สู้ต่อการงานทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการทำสมาธิเนี่ยทำให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความมั่นใจมั่นใจต่อหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่อันนี้คือผลของการทาสมาธิในขั้นนี้ ถ้าหากเราฝึกหัดทำสมาธิในขั้นต้น <c oughs> พอที่จะจับหลักแห่งการทำสมาธิสามารถที่จะทำจิตให้สงบสามารถที่จะน้อมจิตไปพิจารณาสามารถที่จะทำสติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์นั้นๆคือตามรู้เหตุการณ์นั้นๆจนทันก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องด้วยประกาศนี้ ได้กล่าวธรรมะบรรยายมาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาละเวลาจึงขอยุติด้วยประการละชะนีพระอริยะเมื่อนอนหลับยังฝันอยู่เหมือนคนธรรมดาหรือไม่หรือเป็นนิมิถุกคลังไ่การฝัน การฝันเรียกว่าสุบินนิมิตถ้าคนธรรมดาฝันก็เรียกว่าสุบินนิมิตถ้าพระอริยะฝันเรียกว่านิมิตพระอริยะการฝันของพระอริยะนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาสามัญพระอริยะ ในเมื่อท่านนอนท่านหลับแต่กายแต่ส่วนจิตไม่ได้หลับอย่างบ้างท่านอาจจะเคยผ่านความเป็นเช่นนั้นมาแล้วในเมื่อพูดถึงความหลับอาตมะก็จะขอเพิ่มเติมสักหน่อยการภาวนาในเบื้องต้น เราเราบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธเป็นต้นก่อนที่จิตจะเกิดความสงบลงไปคือการนอนหลับเพราะมันมีอาการเคลิมเคลิ้มเหมือนกับจะนอนหลับในเมื่อเคลิ้มแล้วก็มีอาการวูบลงไปพอวูบลงไปหยุดวูบจิตนิง่งในเมื่อจิตนิง่ง ถ้าหากนิ่งแล้วมืดไปไม่รู้เรื่องอันนั้นเป็นการนอนหลับธรรมดาแต่ถ้าวุกบลงไปแล้วจิตนิ่งก็สว่างขึ้นมาอันนั้นจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาถ้าหากกาหนดจิตดูลมหายใจหรือบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ความหลับจะช่วยให้จิตเป็นสมาธิได้อย่างบางท่าน <c oughs> พอนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาไปแล้วมันเกิดง่วงเลยไปเข้าใจว่าตัวเองจะนอนหลับเลยไปหยุดเอาซะแต่ความจริงนี่ควรจะทำอย่างนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาไปถ้ามันเกิดง่ว ง, ง, วงเหมือนอยากจะนอนหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปเลย มันจะหลับจริงๆเหมือนอย่างนอนหลับก็ให้มันหลับลงไปในเมื่อมันผ่านความหลับอย่างธรรมดาหลายๆครั้งเข้าเข้าเพราะอาศัยการบริกรรมภาวนาเมื่อหลับลงไปแล้วสมาธิมันจะเกิดเองไม่ต้องกลัวปล่อยให้มันหลับลงไปทีนี้ในเมื่อหลับลงไปแล้วถ้าหากว่าจิตของผู้หลับนั้นแม้แต่จะหลับในเวลานั่งก็ตาม หลับเวลานอนก็ตามถ้าหลับลงไปแล้วจิตมันมีอาการเคลิ้มมแล้วก็สว่างส่งกระแสะออกไปข้างนอกมันจะเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมานิมิตอ น, นั้นคือความฝันทีนี้อย่างพระอริยะเมื่อท่านนอนหลับแล้วท่านก็ยังฝันเหมือนกันแต่ความฝันของพระอริยะนั้นคือนิมิต แล้วท่านจะไม่ได้ฝันแบบที่เรียกว่าหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เหมือนอย่างคนสามัญธรรมดา <c oughs> ท่านฝันเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ท่านรู้ท่านเห็นหรือบางทีอาจจะเกิดนิมิตขึ้นมาว่าพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นต้นอันนี้เรียกว่านิมิตปัญหาต่อไป ในการฝึกเจ็ดมีอะไรแว บ, บเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาในการฝึกหัดใหม่ที่นี้ความแว บ, บเข้ามาของของสิ่งที่แว บ, บเข้ามานั่นหมายถึงอารมณ์โดยธรรมดาแล้ว <c oughs> ในเมื่อเราตั้งใจที่จะเอาใจใส่ต่อจิตของตัวเองคือต่อบริกรรมภาวนานั้นๆเพราะอาศัยที่เราเคยคิดสิ่งต่างๆมาโดยไม่มีขอบเขตเมื่อเราตั้งใจจะเอาจิตของเราไว้กับสิ่งสิ่งเดียวอารมณ์เหล่านั้นมันก็ย่อมแวบเข้ามาเรื่อยๆทีนได้การแก้ก็คือว่าพอรู้สึกว่ามันแวบไปทางอื่น เราก็เอามาหาคำบริกรรมภาวนาตามเดิมแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาเร็วๆเข้าคือว่าพยายามอย่าให้ช่วงช่วงการบริกรรมภาวนานั้นมันห่างเช่นเราจะนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็ให้พุทโธเร็วๆเข้าทีนี้พอนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วมันมีอาการหลงหลงลืมลืม อาการหลงหลงเรื่มเบิกนั่นแหละจิตกําลังเริ่มจะสงบพอจิตกําลังเริ่มจะสงบแล้วอารมณ์แวบมันก็เข้ามาอีกเราก็ตั้งใจใหม่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปใหม่หลายๆครั้งเข้ามันก็ชํชนานิชานานแล้วมันก็หายแวบเองที่นี่อีกอย่างหนึ่งในเมื่อจิตของเราเนี่ยผ่านความเป็นสมาธิมาพอสมควรแล้วมันก็มีสิ่งที่แวบเข้ามาเหมือนกัน สิ่งที่แวบเข้ามานั้นคืออารมณ์ที่จะมาเป็นเครื่องรู้ของจิตถ้าหากจิตของเรามีสมาธิดีมีสติดีอารมณ์แวบเข้ามานั้นจิตของเราจะรู้ทันพับจะกําหนดรู้สิ่งนั้นทันทีในลักษณะที่ตามรู้เราก็ได้สติสัมปชัญญะดีขึ้น จิตกับวิญญาณมีความแตกต่างกันในด้านจิตวิทยาหรือพุทธศาสตร์อย่างไรจิตกับวิญญาณวิญญาณหมายถึงวิญญาจิตหมายถึงสิ่งที่นึกคิดสิ่งที่รู้สึ ก, กรู้นึกอรูคิดรูร้อนรู้เย็นรู้หนาว อันนี้เรียกว่าจิตทีนี้วิญญาณนี่ก็อาศัยจิตเพราะมีจิตจึงมีวิญญาณทีนี้จิตนี่ดั้งเดิมก็มันเป็นตัวรู้ตัวรู้นี่เรียกว่ามโนธาตุและตัวมโนธาตุนี่ก็เป็นตัววิญญาณอีกเหมือนกันเพราะวิญญาณตัวมโนธาตุซึ่งเรียกว่าวิญญาณนี่ เพราะมันเป็นสิ่งที่รู้จักจุติปฏิสนธิรู้จักเกิดรู้จักาตายเช่นอย่างมาเกิดเป็นเกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็มันก็รู้จักจุติคือตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะอาศัยอำนาจของกิเลสทีนี้ส่วนวิญญาณ น, นี่วิญญาณ น, นี่แบ่งออกเป็นสองภาคภาคหนึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณ ปฏิสนที่วิญญาณนี่คือวิญญาณรู้จักจุตติปฏิสนี่หมายถึงวิญญาณในปฏิจจสมุปาทหรือวิญญาณที่เกี่ยวเนื่องกับจิตที่จะนำไปผุดไปเกิดที่นี้อีกวิญญาณหนึ่งนั้นหมายถึงวิญญาณในเบญจขันวิญญาณในเบญจขันนี่หมายเฉพาะตากับรูปกระทบกันเข้าเรียกว่าจักขุวิญญาณ เสียงกระทบหูเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าโสตวิญญาณกลิ่นกระทบจมูกรู้สึกขึ้นเรียกว่าคานวิญญาณลิ้นลิ้มรสเรียกว่าชิวหาวิญญาณกายสัมผัสเรียกว่ากายวิญญาณจิตรู้ธรรมมาจิตรู้อารมณ์เรียกว่ามโนวิญญาณเพราะฉะนั้นในทางจิตวิทยา จิตวิทยานี่หมายถึงวิชาการที่ศึกษาให้รู้เรื่องของจิตเป็นวิทยาการอันหนึง่งไม่ได้หมายถึงว่ามาไม่ได้หมายถึงจิตตัวที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดเป็นวิชาการที่จะต้องศึกษาให้รู้เรื่องของจิตจึงเรียกว่าจิตวิทยาอันนี้ขอฝากไว้ให้ท่านพิจารณาเอาเอง เพราะอตมาก็ไม่ได้เรียนจิตวิทยามา <c oughs> ทีนี้ในทางพเตศาสตร์นั้นก็หมายถึงตัวจิตที่รู้นึกรู้คิดแล ะ, ะในหลักอภิธรรมที่จำได้ว่าจิตเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมสภาวะใดเป็นผู้ก่อ เป็นผู้สั่งสมคือสั่งสมความดีความชั่วสั่งสมกุศลอกุศลสั่งสมมิจาความรู้สั่งสมสิ่งต่างๆเอาไว้ในจิตสิ่งนั่นเรียกว่าจิตพระพิธรรมท่านว่าอย่างนี้การที่จิตสามารถติดตามอารมณ์ต่างๆไปตลอดเวลาถือว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่ เจต ท, ที่สามารถตามรู้อารมณ์ต่างๆ <c oughs> อ น, นันต์ถือว่าเป็นจิตจิตเป็นสมาธิจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนาจิต ท, ที่จะติดตามตามรู้อารมณ์ได้ตลอดเวลาหมายถึงว่าเราคิดอะไรขึ้นมาจิตมันก็รู้ทันประสบเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจิตมันก็รู้ทัน ใครด่ามาก็รู้ทันใครตำหนิมาก็รู้ทันใครยกย่องสรรเสริญก็รู้ทันจิตสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ในสภาพปกติไม่ยินดียินร้ายต่อเหตุการณ์นั้นๆั้ได้เชื่อว่าจิตเป็นสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมาฐานทีนี้ในเมื่อพูดถึงว่าจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมาฐานบางท่านอาจจะสงสัยว่าจิตในขั้นสมถกรรมาฐานนั่นคืออย่างไร จิตในขั้นสมถกรรมฐานนั้น <c oughs> หมายถึงจิตที่เป็นนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้หมายถึงจิตที่อยู่ในฌานมันรู้เฉพาะเรื่องของฌานเท่านั้นความรู้อื่นๆไม่มีหมายถึงจิตที่อยู่ในอัปปนาสมาธิขั้นที่เรียกว่าจิตนิ่งสว่างแล้วก็ไม่รู้สึกจนกระทั่งว่า มีตัวมีตนตัวตนหายไปหมดอันนี้จิตอยู่ในสม า, าจิตอยู่ในสมาธิขั้นสมถะย่อมไม่เกิดความรู้อันใดอันนี้ไม่ใช่การเริ่มต้นเป็นการที่จิตผ่านความเป็นสมาธิขั้นสมถะมาแล้วจนมีสติสัมปชัญญะดีสามารถตามรู้ทันอารมณ์ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ถ้าใครได้อย่างนี้แล้วสบายมากก็สองจำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเพชรเวลาทำสมาธิหรือไม่อันนี้น่าน่าเด็ดทำความเข้าใจก <c oughs> <c oughs> ารทำสมาธิคว่าสมาธิเป็นกิริยาของจิตการกำนดจิตหรือการบริกรรมภาวนาในจิตหรือการเอาจิตไปพิจารณาเรื่องราวอะไรต่างๆ เป็นการทำสมาธิแต่การนั่งยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเราจะทำสมาธิในเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนหรือเวลาไหนๆก็ได้ทั้งนั้นถ้าหากว่านั่งขัดสมาธิแบบขัดสมาเทศรือแบบพระพุทธเจ้านังเนี่ยถ้ามันลำบากเราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้จะนอนทำก็ได้ ถ้ายิ่งใครนอนทำสมาธิชำนี้ชำนานยิ่งดีในเมื่อหลับลงไปแล้วจิตจะได้เป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิในเวลานอนหลับกายมันจะได้พักผ่อนสบายเพราะองค์ประกอบของความเป็นสมาธินี่กายเบาจิตเบาในเมื่อกายเบาจิตเบากายก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ถ้าใครนอนพักผ่อนด้วยสมาธิบางทีเป็นโครคภัยไข้เจ็บบางอย่างก็หายได้ปัญหาต่อไปการที่นั่งสมาธิแล้วสามารถรู้ล่วงหน้าและอดีตได้ใช่หรือไม่การทำสมาธิแล้วสามารถที่จะรู้อดีตอนาคตปัจจุบันได้ แต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นไปทุกคนบางท่านก็ไม่รู้อะไรเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างอาตมานี่ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่เจ็ตของตัวเองและสภาวะความจริงที่เกิดขึ้นกับจิตในบางครั้งมีผู้ไปขอร้องให้นั่งทางในดูโน่นดูนี่อาตมาก็บอกกับเขาว่าคุณอย่ามาสอนให้พระโกหก เือสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าห้ามพูดแต่คำถามที่ว่าการนั่งสมาธิสามารถรู้ล่วงหน้าและอดีตได้หรือไม่นั้นอันนี้สามารถที่จะรู้ได้แต่ต้องถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้ เช่นอย่างผู้ที่ทำสมาธิพิจารณาสภาวธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วสามารถรู้อดีตชาติของตัวเองเช่นอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่ไดจ้จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็รู้ปุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติผลหลังได้แล้วก็รู้จุดูปปรารติญาณรู้การจุดติและเกิดของสัตว์ทั้งหลาย รู้อาสวัคยายานู้อุบายทรรมจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นไปได้แต่สำหรับการที่จะไปนั่งดูโน่นดูนี่เช่นนั่งดูปูยา่าตายายหรืออะไรต่ออะไรนั่นมันมันก็ออกจะเฟอ้อไปหน่อยที่แน่จริงๆก็เวลานี้ รัฐบาลกำลังค้นหาบ่อน้ามันถ้าองค์ไหนเก่งๆแล้วจับไปนั่งส่องดูบ่อน้ามันว่าว่ามันอยู่ที่ตรงไหนรัฐบาลเจาะลงไปทีเดียวได้เลยเ น, น่ะไม่ต้องเปลืองเวลาแล้วไม่ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายถ้าสามารถพิสูจน์ได้อย่างนั้นก็เก่งจริงแต่นี่สสวนมากไปเก่งเฉพาะแต่สิ่งที่ตาคนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นด้วยเนี่ยอตาตมาก็เลยไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นัก <c oughs> ปัญหาต่อไปขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศจิตจับอยู่ที่เสียงก็รู้สึกว่ามันสบาก็รู้สึกว่าเป็นสมาธิดีแต่แต่จิตมิได้จับอยู่ที่เนื้อความ ของหลวงพ่อพูดอย่างนี้ขอให้หลวงพ่ออธิบายโดยว่าการทำสมาธิของผู้ถามได้ผลหรือไม่การฟังไม่ได้ผลใช่ไหมก า, ารทำสมาธิในขณะที่ฟังเทศจิตไม่ได้ยึดถ้าว่าจิตมีสมาธิแล้วไม่ได้ยึดกับไม่ได้ยึดกับ คำพูดหรือคำบรรยายที่พูดพูดกันไปเป็นได้เพียงว่ารับรู้รับรู้เฉยๆไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าเสียงที่ได้ยินนั้นท่านว่าอะไรบ้างหรือบางทีเสียงที่ฟังฟังอยู่นั้นหายไปเราฟังไม่ได้ยินอันนี้หมายถึงว่าจิตอยู่ในสมาธิเพียงแต่สักว่ากาหนดรู้ที่นี้ลักษณะอย่างนี้ ถ้าหากสมมติว่าเรากำหนดจิตอยู่ในสมาธิกำหนดดูจิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าจิตมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันสักแต่ว่าสักแต่ว่าเป็นความคิดแต่มันไม่ยึดในความคิดนั้ น, น, นก็มีลักษณะเช่นเดียว ก, กันกับฟังเสียงแล้วจิตไม่ได้ยึดกับเสียงที่ที่ได้ยินอันนี้เป็นลักษณะของการปล่อยวางอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงความเข้าใจแล้ว แต่ว่าจิตมันไม่เข้าใจมันเข้าใจซึ้งๆอยู่ในท่าทีของมันแต่มันไม่ได้เข้าใจในลักษณะที่ว่าสามารถจำได้อธิบายได้แม้ว่าจิตมันเกิดความรู้อะไรขึ้นมาภายในก็าตามมันเกิดขึ้นมาแล้วสักแต่ว่าเป็นความคิดแล้วมันไม่ยึดมันก็มีแต่ความวางเฉยอย่างเดียวความวางเฉยอันนี้ไม่ใช่ว่าเฉยไม่รู้ไม่ชี้ แต่มันมีลักษณะรู้ซึ้งๆของมันอยู่ในตัวอันนี้ต้องสังเกตดูให้ดีหรือบางทีเราอาจจะเคยทำสมาธิบริกรรมภาวนามาจิตมันสงบสว่างมีวิตกวิจาร์มีปีติสุขเอกข้าตาตามหลักขององค์ฌานแต่ในเมื่อทำไปทำไปทำไปแล้วคือในขั้นต้นเนี่ยพอนึกถึงอารมณ์เรียกว่าวิตก จตเคล้ากับอารมณ์เรียกว่าวิจารณ์แล้วมันเกิดปีติเราก็รู้เกิดสุขเราก็รู้ทีนี้มันเกิดความเป็นหนึ่งคือสงบเราก็รู้รู้ไปเป็นขั้นตอนแต่เมื่อทําหนักๆเข้าแล้วพอกําหนดจิตพับลงไปนึกพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันสงบพรวดไปเลยไม่สามารถที่จะกําหนดวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกข้าตาได้ถนัดอันนี้เป็นความคล่องแคล่วของจิตเป็นความชํานาญของจิต เพราะมันเป็นแล้วมันก็วิ่งเร็วในว่ามันยังไม่เป็นมันก็ค่อยรู้ไปตามขั้นตอนอันนี้บางท่านอาจจะคิดว่าภาวนาเมื่อก่อนนี้ทําไมจิตมันสงบนิ่งสว่างเยือกเย็นดีนักหนาะแต่เดี๋ยวนี้ทําไมมันไม่สงบเพราะกำหนดจิตตรงไปแล้วมันมีแต่ความรู้บังเกิดขึ้นมีแต่ความคิดบางท่านก็เข้าใจผิดว่าจิตของตัวเองฟุ้งซ่าน แต่แท้ที่จริงแล้วจิตมันเกิดปัญญาที่นี้เราข้อสังเกตมันมีอยู่อย่างให้เกิดความยินดีให้เกิดความยินร้ายให้เกิดความดีใจเสียใจแต่เมื่อจิตผ่านสมาธิมาแล้วมันมีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ความคิดอันนี้มันไม่สามารถที่จะดึงเอาจิตของเราไปให้มีอาการเป็นอย่างนั้นได้ จิตอยู่ในสภาพปกติสักแต่ว่าสัมผัสรู้ทีนี้รู้ไปรู้ไปรู้ไปตามรู้ไปรู้ไปรู้ไปรูไปเพราะจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกมันอาจจะเกิดความสงบละเอียดลงไปแล้วความรู้สามารถที่จะพลั่งพลูออกมาเราสังเกตดูว่าความรู้ในขั้นนี้มันไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่มีดีใจเสียใจมีแต่ความปกติของจิต จิตอยู่อย่างสบายมีความสุขมีความแช่มชื่นในความรู้นั้นอันนี้ปัญญามันเกิดปัญหาต่อไปขณะที่นั่งทาสมาธิอยู่ขณะที่นั่งทาสมาธิาาธพุโทโธความรู้อยู่จนกระทั่งรู้สึกว่าจิตเริ่มจะนิ่ง จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพุทโธหายไปไม่รู้สึกเฉยเฉยรู้สึกเฉยเฉยากไม่รู้สึกตั ว, ต, วตัวไม่ยกไปมาตัวไม่โยกไปมานั่งดำรงเป็นระยะนั่งตรงเป็นระยะหนึ่ง อันนี้ <c oughs> ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจิตเริ่มจะสงบลงไปพอจิตเริ่มสงบลงไปแล้วคำว่าพุโทโธมันจะค่อยเลือนลางหายไปในที่สุดจิตจะไม่ว่าพุโทโธเลยแล้วจิตก็จะไปนิ่งรู้อยู่เฉยๆในบางทีบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในตอนนี้ ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วที่นี่มันจิตมันไม่ว่าพุทโธแต่มันมีอาการเคลิมเลิมสงบลงไปก็เข้าใจว่าเรานี่เผลอสติไม่นึกพุทโธแล้วก็ไปกลับนึกพุทโธมาใหม่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยอันอันนี้สังเกตให้ดีถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตมันไม่ว่าพุทโธมันไปอยู่เฉยเฉยนิ่งเฉยเฉยอยู่ ถึงแม้ว่ายังไม่สงบละเอียดก็ตามให้กำหนดรู้อยู่ตัวนิ่งเฉยๆอย่าไปนึกว่าจิตมันเฉยหนออะไรหนอถ้าไปนึกอย่างนี้แล้วจิตมันจะถอนจากสมาธิให้ทำทีว่ารู้อยู่ในทีอย่าไปนึกคิดอะไรทั้งนั้นปล่อยให้จิตมันว่างเฉยไปอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ทรงตัวอยู่เท่านั้นเองเมื่อมันถอนจากความรู้สึกเฉยๆว่างๆอย่างนั้นแล้ว เราจึงค่อยกำหนดพุทโธพูทโธไปใหม่แต่ว่ามันเฉยว่างอยู่งั้นก็ปล่อยให้มันเฉยว่างอยู่อย่างนั้นทีนี้ทำไปนานๆเข้าจิตมันมีพลังขึ้นมันก็จะสว่างแจ่มใสขึ้นมาเอง